ปติญญาตกระระหนึ่งเยพุยสิกาหนึ่งตัดสปาปิยสิกาหนึ่งตินวัถารกะหนึ่งว่าโดยย่อแล้ว311ข้อแบ่งเป็นประมาทดังนี้ 1. ปราชิก8สิขาบท 2. สังฆาทิเศษส7สิขาบท 3. นิสกิยปาจิตตี30สิบสิขาบท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 ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นหากภิกษุณีสงสวดสมณนานุภาพครบสามครั้งแล้วยังไม่สละความคิดนั้นต้องสังคารทิเศต 9. ภิกษุณีใดถูกภิกษุณีทั้งหลายว่า ก, กล่าวตั่เตือนม่ให้่ยูุ่่่ก่่ีกันแล้วม่ความประพฤติเ่ว่่ามมีกิต่รร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ท่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ หากภิกษุณีนั้นยังคงประพฤติอยู่เช่นเดิมภิกษุณีทั้งหลายสวดสมานุพาพครบสาครั้งยังไม่เลิกประพฤติเช่นนั้นต้องสังฆาทิเศตส0ภิกษุณีใดว่าร้ายภิกษุณีพูดยุยงให้ภิกษุณีพูดถูกภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้คลุกเคลีกันตามข้อ9ก็แย้งว่า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 ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวตักเตือนก็ไม่ฟังเมื่อสวดสมานุภาพจบสามครั้งแล้วยังไม่เลิกทําลายสง์ต้องสังคาทิเศษสิบภิกษุณีใดประพฤติตามหรือสนับสนุนภิกษุณีผู้พยายามทําลายสง์ภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่หยุดความประพฤตินั้นเมื่อสงสวดสมานุภาพจบสามครั้งแล้ว ยังไม่สลาการกระทำนั้นต้องสังฆาทิเศษสิบหกภิกษุณีใดประพฤติตนเป็นคนว่ายากภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่เชื่อฟังสมสวดสมนุภาพครบสามครั้งก็ยังไม่สลาการกระทำนั้นต้องสังฆาทิเศษสิบเจ็ดภิกษุณีใดประทุษร้ายตระโกนคือประจบขฤรืหัด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 ซ้อมสิกขามนาผู้มุ่งจะบวชนอกที่ประชุมภิกษุณีสงก่อนเช่นสอนให้รู้จักชื่อของภิกษุณีผู้เป็นประวัตินีคืออุปชาบอกบาทและจีวรเป็นต้นถามอันตรายยิกธรรมจากนั้นจึงให้เข้าไปประชุมภิกษุณีสงแล้วสอบถามผู้ที่จะบวชนั้นใน่ามกลางสตรีอีกครั้งหนึ่งแล้วภิกษุณีผู้ฉลาด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 เมื่อไปอยู่ในใต้หวันเป็นต้นภิกษุณีเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามครุธรรมแปดเช่นต้องอยู่ในอารามที่มีภิกษุณีต้องถามอุโบสถและรับโอวาจาจากภิกษุภิกษุณีเหล่านั้นรับโอวาจาจากภิกษุฝ่ายไหนแล้วการบวชต่อๆกันมานั้นบวชในภิกษุสงฆ์ฝ่ายไหนก็ไม่ใช่ว่าจากภิกษุเทระวาด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 ควรจะพูดเสียเลยว่าภิกษุณีสงฆ์ไม่มีสิทธิบวชสตรีให้เป็นภิกษุณีแม้แต่บวชสัมมเนรีพระภิกษุก็บวชให้ไม่ได้พระภิกษุบวชเด็กผู้ชายเป็นสัมมเนรได้พระภิกษุณีก็บวชเด็กหญิงเป็นสัมมเนรีได้ฝ่ายไหนฝ่ายนั้นภิกษุณีไม่บวชสัมเนรภิกษุก็ไม่บวชสัมมเนรี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 เป็นธรรมดาตามหลักกฎหมายเมื่อมีบัญญัติใหม่บัญญัติเก่าที่ขัดกันก็ระงับไปการบวชภิกษุณีแทบจะสมบูรณ์มาแล้วในขั้นตอนของภิกษุณีสงขั้นตอนของภิกษุสงเรียกได้ว่าเหลือแค่รับทราบและยอมรับที่ภิกษุณีสงดำเนินการมาภิกษุณีสงจึงไม่มีสิทธิบวชสตรีเป็นภิกษุณีถ้าภิกษุณีสงยังไม่ได้บวชให